ถึงแม้ใช้เวลาทั้งชีวิตก็อยากจะฝึกให้ชินกับอารมณ์คนที่กลับไปกลับมาเอาแน่เอานอนไม่เคยได้คุณมักต้องโมโหเป็นระยะระยะเมื่อพบว่าคนบางคนเปลี่ยนใจทั้งที่รับปากแล้วสัญญาแล้วจับมือจับไม้กันเรียบร้อยแล้วไม่เข้าใจเหตุผลจนบางทีก็อยากอ่านใจคนได้ว่า คิดอะไรใจคอทำด้วยอะไรทำไมถึงกลับกลอกง่ายพูดไม่เป็นพูดหรือพูดแต่บอกไม่ได้พูดหน้าตาเฉยได้ขนาดนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าไม่ฉลาดในจิตของคนอื่นก็ให้ฉลาดในจิตของตนซึ่งเมื่อใครฝึกที่จะฉลาดในจิตตนถูกวิธีก็มักพบตรงกันว่า ปล่อยฉลาดในจิตผู้อื่นไปด้วยแม้ไม่อยากไม่ปรารถนาเลยก็ตามอย่างน้อยที่สุดก็มองได้อย่างเข้าใจหรืออย่างน้อยไม่อยากถือสาหาความกับความไม่แน่ไม่นอนของเหามนุษย์ไม่มีคำถามงงๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าขึ้นมาอีกว่าทำไปได้ยังไงคิดยังไงถึงทำไปได้ถ้าคุณจะฝึกตรงตรง ให้ชินให้วางเฉยให้ยอมรับความผันผวนของอารมณ์คนได้ก็อาจต้องใช้เวลากันนานบางทีก็ครึ่งชีวิตบางทีก็ทั้งชีวิตแต่ถ้าอานตัวเองออกบอกตัวเองถูกว่าอาการพลิกไปพลิกมาของใจเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เท่ากับเดินทางลัดแค่ต้นวัยก็ทาใจได้แล้วไม่ใช่เอาแต่งง ไม่ใช่ต้องโมโหร่ำไปการอ่านใจตนเองในแบบของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ดูว่าตัวเองคิดอะไรเพราะความคิดเป็นสิ่งที่ดูยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากำลังอยู่ในภาวะไม่มีจุดหมายชัดเจนความคิดจะไหลไปเรื่อยยิ่งกว่าสายน้ำเชี่ยวคุณไม่มีทางรู้ไม่มีทางจําได้เลยว่า หน้าที่หนึ่งหนึ่งฝุงซานเรื่องอะไรไปบ้างพระพุทธเจ้าท่านให้ดูสิ่งที่ดูได้ง่ายก่อนเอาลมหายใจนี่แหละมีแค่เข้ามีแค่ออกมีแค่ยาวมีแค่สั้นเท่านี้เริ่มจากหายใจยาวๆช้าๆให้เป็นแล้วเห็นความสัมพันธ์ระหว่างลมหายใจกับความรู้สึกที่เกิดขึ้น หายใจยาวรู้สึกสบายหายใจสั้นรู้สึกอึดอัดเมื่อดูเป็นเห็นชัดว่าโล่งอกเป็นอย่างไรแน่นอกต่างอย่างไรก็ให้เทียบเคียงว่าระหว่างโล่งอกกับแน่นอกนั้นแบบไหนที่จิตมีสิทธิคิดดีแบบไหนที่จิตมีสิทธแบบิร้าย แบบไหนที่จิตคิดเป็นเส้นตรงได้แบบไหนที่จิตคิดวนเป็นวงกลมไม่เลิกฝึกดูฝึกรู้อยู่แค่นี้ไปเรื่อยๆในที่สุดคุณจะแปลกใจหรือถึงขั้นตกใจว่าแท้จริงคุณเองและเหล่ามนุษย์รอบตัวล้วนตกอยู่ภายใต้แรงกดดันให้คิดอ่านผันผวนแม้แต่ลมหายใจ เอาแน่เอานอนไม่ได้ก็เป็นหนึ่งในแรงกดดันนั้นแล้วในโลกความจริงยังมีเหตุปัจจัยสลับซับซ้อนอีกมากที่ทําให้คนเราเป็นตัวของตัวเองได้ยากคงเส้นคงวาอยู่กับตัวตนเดิมๆได้ยากเพราะเดี๋ยวก็ได้พลังสนับสนุนให้คิดดีมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้อยากรักษาสัญญาให้มั่นคงได้ แต่เดี๋ยวก็เกิดแรงกดดันให้คิดร้ายเห็นแก่ตัวอยากสบายจะเอาตัวรอดคนเดียวไม่สนใจสัญญิงสัญญากับใครหน้าไหนทั้งนั้นสรุปคือเมื่ออ่านใจตัวเองออกว่ามีสิทธิ์กลับกลอกได้อย่างไรหายใจสิบครั้งมีสิทธิ์คิดต่างได้ขนาดไหนคุณจะเริ่มเข้าใจไม่อยากถือสา หรือครานที่จะเข้นคอใครให้จําสิ่งที่เขาพูดและในทางกลับกันคุณจะเริ่มเห็นค่ารู้ว่าการรักษาสัตว์ดีอย่างไรในเมื่อมันทําให้ใจคุณเข้มแข็งบอกตัวเองถูกว่าใจจริงอยู่ตรงไหนแม้เจอเคลื่นกระทบรบกวนก็ไม่หวั่นไหวยิ่งมีเครื่องลองใจเท่ากับยิ่งได้พิสูตตัวเอง ถ้าเป็นชายก็เป็นลูกผู้ชายที่มีศักดิ์ศรีถ้าเป็นหญิงก็เป็นสตรีทีท่ส ง, งา่าหากจะทำตามสัญญาไม่ได้จริงๆอย่างน้อยก็มีทางออกหาทางชดเชยความรู้สึกกันดีๆไม่ใช่บ่ายเบียงหรือปฏิเสธดือด้อๆว่าไม่เคยพูดไม่เคยสัญญาอันใดไว้ทั้งนั้นเพราะนั่นจะเท่ากับสร้างความเหลวไหลาทางวิญญาณ กระทำจิตให้อ่อนแอลงเรื่อยๆนับถือตัวเองได้ยากหว้ตัวเองยังไม่ลงเราจะหวังให้ใครที่ไหนมานับถือได้เรา